พอได้ประโยชน์ไหมวันนี้เล่าที่ทานเรื่องเดียวหมดเวลาไปชั่วโมงกว่าแล้วมีใครมีมีข้อสงสัยอะไรไหมนี่ได้คานี้นะได้คำนี้จากโยมคนนี้นะเมื่อก่อนมีปัญหาอะไรไหมดูเหมือนนักเลงมากเลยกราบนมัสการพระอาจารย์กิดนิมโลฮะโอ้เต็มยศเลย คุอดีอยากถามเรื่องออพระอนาคามีที่เมื่อกี้พระอาจาบอกว่าถ้าเกิดประมาทคือเลยอยากทราบว่าระดับพ <c oughs> ระอนาคามีเนี่ยจะประมาทแบบคือยังได้ยังไงแล้วก็ปกติแล้วถ้าพระอนาคามีตายไปก็ต้องไปเป็นพระพรหมอยู่แล้วแล้วถ้าสมมุติประมาทเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับพระอนาคามีรูปนั้นคือคไม่พัฒนาต่อไปเป็นพระอาหารหันต์ความประมาทของท่า น, นนิดเดียวเท่านั้นเองคือ พอใจในความเป็นพระอนาคามีตรงนั้นหรือว่าไม่เห็นว่าขณะนั้นยังไม่ถึงที่สุดนี่นะเป็นความประมาทของท่านนะแต่เทียบกวับเราแล้วจิ๊บจ้อยมากเลยของเราความประมาทมหาศาล <c oughs> นะเราะะฉนั้นอันนี้เป็นเพียงบอกกล่าวตามหลักเกณฑ์นะไม่ใช่บอกกล่าวเพื่อไปตําหนิท่านบอกกล่าวตามหลักเกณฑ์บางทีพระอนาคามีท่านไม่รู้ตัวท่าน นึกว่าท่านนึกว่าสภาวะขนาะนั้นคือถึงที่สุดแล้วก็มีแต่บางทีครูบาอาจารย์ที่ท่านละเอียดละอเนี่ยท่านดูแล้วอ๋อใจยังเคลื่อนอยู่อย่างเงี้นะถ้าท่านบอกได้ท่านก็บอกถ้าบอกมันยังไม่ได้ก็อาจจะรอเวลายจริงๆตอนนั้นท่านสบายแล้วแหะเป็นพระอนาคามีก็สบายแล้วเนาะอืมย่าว่านาคามีเลยโสดาบันก็เราก็เอานะ เหมือนอย่างที่ครูบาจารย์เล่าถึงหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลบอกว่าคูบาจารย์ยุคนั้นน่ะหลายองค์เลยที่มีชื่อเสียงเนะี่ยเป็นผีใหญ่เคยได้ยินไหมเคยได้ยินที่หลวงพ่อเล่าไหมว่าเป็นผีใหญ่ก็นะคือบางทีบางท่านเนี่ยก็เข้าใจตัวเองมองออกว่าตัวเองเป็นอะไรบางท่านมองไม่ออกว่าตัวเองเนี่ยยังอยู่แค่อนาคามียังไม่ถึงท่านขั้นพระอาหารหันต์เพราะว่าสภาวะต่างๆมันไม่มีป้ายบอก มันไม่มีซั์ไตเติ้ลเข้าใจัหมถ้ามีซับไตเติ้ลก็ง่ายนะอ๋อ น, นี่ปุถุชนว่าอยังไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเ้มันสภาวะนะั้นมันไม่มีซับไตเติ้ลต้องรู้เองกอานะวัชการพระอาจารย์ครับแล้วคำสอนของครูบาอาจารย์กับยกหน่อยกับการมาสูตรเนี่ยมันมีข้อพิจารณาย่างไรครับอ๋อ กลามาสูตรก็คือว่าท่านพูดถึงชาวกาล า, า, า, า, า, ามะมาบอกว่าชาวกาลามะมาบอกว่าศาสดาต่างๆยุคนั้นมีศาสดาหลายท่านสอนเผยแพร่คาสอนของตัวเองแต่ละคนแต่ละคนก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วก็แนวทางที่สอนเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งหมดจะเชื่อได้อย่างไรว่าใครสอนจริงใครสอนไม่จริงใครสอนถูกใครสอนไม่ถูกจะเชื่อใครดี รวมทั้งพระองค์ด้วยพระาก็ไม่ไปย้ําว่าจงเชื่อเราคนเดียวว่าทางนี้ทางถูกแม่งก็กลายเป็นว่าเหมือนเหมือนกับศาสตาองค์อื่นที่ให้เชื่อเราคนเดียวท่านก็บอกว่าให้หลักเกณฑ์สิบอย่างว่ารวมแล้วก็คือว่าไม่ปักใจเชื่อแม้ที่เขาว่าว่ามาแต่ถ้าสิ่งใดที่เราเห็นด้วยตัวเองเห็นด้วยใจตัวเองว่า อันนั้นเป็นอกุศลถ้าเห็นแล้วรู้แล้วว่าถ้าเจริญอกุศลจะมีโทษเชื่อได้ให้รู้อย่างนี้ถ้าอันนั้นเป็นกุศลเจริญแล้วจะมีความจิตใ จ, จเจริญก้าวหน้าให้รู้ว่าอันนั้นเป็นอกุศลอันนั้นเชื่อได้เป็นของจริงของจริงที่เกิดขึ้นจริงๆประจักษ์เองกับกับจิตจริงๆอันนั้นให้เชื่ออย่าปักใจเชื่อเพียงว่าคนอื่นเขาพูดมา เขาว่ามาหรือแม่คนนั้นเป็นอาจารย์เป็นศาสดาอ้างว่าเป็นศาสดาแต่เราไม่เห็นจริงตามไม่เห็นสภาวะจริงๆตามยังเชื่อไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นด้วยสภาวะด้วยใจของตัวเองเห็นสภาวะด้วยใจของตัวเองแล้วว่าอันนั้นเป็นกุศลควรเจริญอันนั้นเป็นอกุศลไม่ควรเจริญควรละเสียอย่างนั้นเชื่อได้คือเชื่อจากที่เห็นจริงๆการามสูตรสาระมันอยู่ตรงนี้นะไม่จะว่าไม่ให้เชื่ออะไรเลยไม่เชื่ออาจารย์ไม่เชื่ออะไรไม่ใช่อย่างนั้นคือคําพูดทั้งหมดเนี่ย แม้แต่อ่านหนังสือคําพูดที่เขาเล่าลือมาหรือว่าคําพูดจากอาจารย์ต่อหน้าตรงนี้เลยเนี่ยยังเป็นภูมิรู้ของคนอื่นยังเป็นยังเป็นประสบการณ์ของคนอื่นแต่ถ้าเราไม่มีประสบการณ์เลยว่าอากุศลเป็นยังไงกุศลเป็นยังไงยังเชื่อใครไม่ได้เลยจะเชื่อได้จากประสบการณ์ตัวเองว่านี่คืออกุศลนี่คือกุศลก็คือเจริญสติดูสภาวะแท้ๆใน ใ, นใจตัวเองอันนี้กิเลสเราเห็นแล้วไม่เอาเพราะกิเลสเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์ อันนี้เป็นกุศลเจริญแล้วจิตใจจะสร้างบารมีเพิ่มพูนมากขึ้นจิตใจจะเข้มแข็งมากขึ้นก็เจริญต่อไป mm hmm. เห็นจริงจากประสบการณ์ในใจของเราเองนี่คือสาระของกาลามาสูตร mm hmm. เรามักจะหยิบมาแค่สิบข้อ mm hmm. กาลามาสูตรนั้นแล้วก็แปลผิดๆ ด, ด้วยว่า mm hmm. อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อไม่ใช่ว่าคำแปลจริงไม่ใช่ว่าอย่าไปเชื่อ คำแปลที่ถูกคืออย่าปักใจเชื่ออย่าปักใจเชื่อคืออย่าปักใจเชื่อเพียงเขาพูดมาเพียงเขาว่ากล่าวมาหรือว่าเราคิดเทียบเคียงคิดเทียบเคียงก็ยังไม่ใช่ยังเป็นความคิดคิดเทียบเคียงว่าเออเราไม่มีนะอันนี้ไม่เที่ยงนะอันนี้คิดเทียบเคียงแต่ถ้าเห็นจริงๆแล้วว่าโทสะเกิดขึ้นมาแล้วพอมีสติแล้วโทสะดับเห็นๆเลยเนี่ยไม่ต้องคิดเทียบเคียงเลยมันเห็นเป็นประสบการณ์ตรง ที่เราเจริญสติเห็นสภาวะจริงๆตรงนี้ไม่ได้ปักใจเชื่อเลยมันเห็นแล้วคราวนี้ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องศรัทธาใครมันเห็นจริงคุณสมบัติของพระโสดาบันคือว่าไม่อาศัยศรัทธาแบบคนอื่นไม่ศรัทธาคือไม่ต้องไปเชื่อคําคนอื่นเห็นแท้ๆเลยว่าจริงเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ามีจริงทางที่จะทําพ้นทุกข์มีจริงสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงจริงๆประจากประสบการณ์ที่ท่านเจริญสติมาเห็นแล้วจริงๆ พูดได้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อโดยอ้างคนอื่นคือเชื่อจากประสบการณ์ของท่านจริงๆไม่ใช่ว่าเชื่อเพราะว่าคนนั้นพูดมาเชื่อเพราะว่าคนนี้น่าเชื่อถือเชื่อเพราะว่าคนนี้เป็นพระมหาเถระพูดมาไม่ใช่ไม่ใช่เชื่อแบบนั้นแต่เชื่อจากประสบการณ์ที่เห็นจริงๆเช่นว่าเขาบอกว่ามีบ้านจิตสบายนะเป็นสถานที่สำหรับ ให้พระมาแสดงธรรมให้โยมมาแสดงสนทนาธรรมมีสถานที่สําหรับนั่งฟังธรรมเป็นศาลามีทางเดินจงกรมหน้าร่มรื่นมีห้องสมุดฟังเข้ามาไม่เคยมาเห็นได้แต่เชื่อเชื่ออย่างเงี้ยนะ่ยเชื่อแบบอาศัยคนอื่นเปิดเว็บก็ยังไม่เคยมารูปแต่งหรือเปล่ปปาไม่รู้ Photoshop หรือเปล่าก็ไม่รู้ยังเชื่อไม่ได้ใช่ไหมแต่พอเรามาจริงเห็นจริงคราวนี้ไม่ต้องอาศัยคนอื่น ไม่ต้องอาศัยคำคนอื่นรู้เลยว่าบ้านจิตสบายมีจริงสาราเป็นอย่างนี้ห้องสมุดเป็นอย่างนั้นเชื่อว่ามีจริงโดยไม่ต้องอาศัยคำคนอื่นอันนี้เรียกว่าศรัทธาแบบพระโสดาบัน mm hmm. เห็นว่าคำสอนของพระองค์เป็นจริงไม่ต้องอาศัยคำคนอื่นเห็นว่าทางนี้พายถูกต้องพาพ้นทุกข์ได้จริงไม่ต้องอาศัยคำคนอื่นเพราะเห็นจริงยิ่งเป็น เป็นพระอริยะเจ้าระดับสูงสูงขึ้นไปยิ่งศรัทธาแน่นแฟ้นมากขึ้นเพราะเห็นความจริงเป็นลำดับชั้นลาดับชั้นขึ้นไปมากขึ้นแต่ถ้ายัางเป็นโสดาบันอยู่ต้องเป็นศรัทธาที่ต้องอาศัยคนอื่นต่อยังไม่เห็นจริงเชื่อเอาแต่ถ้าเชื่อเชื่อไว้ก่อนเชื่อไว้ก่อนถ้าเป็นโสดาบันและยังไม่ต้องอาศัยคนอื่นมากนะักเชื่อแล้วแต่ถ้าเป็นปุถุชนต้องเชื่อคนอื่นก่อน เหมือนคนที่ไม่เคยมาที่นี่ก็ต้องเชื่อว่าแผนที่เขาวาดไปถูกใช <c oughs> ่ไหมแผนที่ที่เขาโชว์น่ะวาดไปถูกพุทธมณฑลสายสองอยู่ตรงนี้วงแหวนรอบนอกอยู่ตรง น, นี้ทางเชื่อมคือตรงนี้เลี้ยวมาตรงนี้ยเชื่อแล้วเดินมาตามทางที่เขาวาดเอาไว้คําสอนของพระพุทธเจ้า ก, ก็เหมือนเป็นแผนที่เชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนเชื่อแบบฝากใจไว้กับท่านแล้วก็เดินตามไปแล้วพอเห็นจริงๆว่ามันไม่เที่ยงเห็นจริงๆว่ามันเป็นไปทุกข์ เห็นจริงๆว่ามันเป็นอนัตตาคราวนี้เชื่อด้วยด้วยประสบการณ์ของตัวเองศรัทธาจะเปลี่ยนไปศรัทธาจะเปลี่ยนไปไม่ใช่ศรัทธาแบบฝากคนอื่นศรัทธาฝากจากประสบการณ์คนอื่นแต่เป็นศรัทธาประสบการณ์ของตัวเองเห็นจริงเห็นจริงๆด้วยตัวเองด้วยจิตของตัวเองเหมือนคนที่มาถึงบ้านจิตสบายแล้วเชื่อจริงๆคราวนี้บอกต่อคนอื่นได้ด้วยบอกต่อด้วยความมั่นใจด้วยเพราะเคยมาจริงๆ